เสียงอ่านหนังสือความสุขหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งทางความสุขโดยไม่ต้องแข่งกับใครงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีความสุขความโล่งเบาแสนสบายหายห่วงไม่ได้เกิดขึ้นตอนมีอะไรดีๆเข้ามาแต่เกิดขึ้น ตอนมีอะไรแย่ๆออกไปพูดง่ายๆความสุขที่ดีที่สุดเกิดขึ้นตอนความทุกข์หายไปความทุกข์อันใหญ่หลวงในโลกนี้ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราแต่ฝังแน่นอยู่ในมุมมองวิธีคิดของเราเองหากฉลาดคิดฉลาดถามตัวเองเข้าเป้าได้ก็กระเทาะความทุกข์ ให้ร่วงกล่าวออกจากดวงจิตได้ง่ายๆเลยความทุกข์อันใหญ่หลวงในโลกนี้ไม่ใช่เงามืดตามสุมทุมพุ่มไม้ที่คอยดักครอบงำใจใครแต่เป็นเงากรรมตามจับจ้องจะให้คุณให้โทษเจ้าของกรรมยังไม่รู้จักเหน็ดหน่ายหากเข้าใจหรือเห็นเงากรรมของตัวเองขึ้นมาแม้เพียงรางราง ก็จะค่อยๆเรียนรู้วิธีทำให้เงาดำเลือนลงโดยการสร้างแสงขาวขึ้นมาแทนความทุกข์อันใหญ่หลวงในโลกนี้ไม่ใช่การมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นผีตามทวงหนี้แต่เป็นความไม่รู้ว่าตัวเองกำลังวิ่งงับเหยื่อล่ออย่างทุลักทุเลยิ่งงับมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งถูกจับไปทรมาน ให้ปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นเท่านั้นหากมองเห็นภาพตัวเองวิ่งเป็นบ้าเพื่อไล่จับเหยื่อล่อก็จะพินิษพิจารณาทําความรู้จักกับเหยื่อล่อให้ดีขึ้นติดกับยากขึ้นหรือไม่ติดกับอีกเลยความสุขหมายเลขหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากเจอคำถามเปลี่ยนชีวิต เราคิดจะสํารวจเพื่อรู้ตัวตามกรรมกระทั่งในที่สุดรู้วิธีมีตาสว่างนักกลางใจขึ้นมาได้ลงชื่อดังตรินพุทธศักราช2558